อนาปฏิวานพิกษุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ772 1. นพิกษุนีนํากับิยภัณฑ์ที่เหลือไปใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่น 2. อพิกษุนีขออนุญาตเจ้าของก่อนจึงนําไปใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่น3าพิกษุณีผู้มีเหตุขัดข้อง4ีพิกษุณีวิกชนิชริศห้ 5. พิกษุนีต้นบัญญัติสิกขาบทที่8จบ